ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบมีชื่อเรื่องว่าราชสีไม่ฟังพ่อพวกเราทุกทุกท่าน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 แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ความแยกแยะไม่ได้ใช้สติปัญญาฟังไปแล้วก็สักแต่ว่าฟังเพ้อเพไปฟังในสิ่งที่เขาแนะนําไปในทางสิ่งที่ไม่ดีเราก็เป๋ไปตามเขาด้วยเมื่อเป๋ไปตามเขาเราก็กลับกลายเป็นคนช่วยเสียหายไปกับเขาด้วยเพราะาการครบ อาสมาคมหรือว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราก็ขาดสติปัญญาใครควรไตรตรองเหตุและผลเพราะนั้นคนที่หลอกหรือคนที่ต้มกันได้คนที่ตุนกันได้ก็เพราะว่าคนหนึ่งเหนือกว่าแล้วก็าคนหนึ่งขาดปัญญาขาดความรอบครอบพร้อมกันก็เกิดความโลภในใจด้วย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 นั่นหละเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาแต่จะไปวิตกกังวลจนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ใดกวิตกกังวลไปอีกละอ่า น, นั้นวิตกกังวลไปก็ไม่ดีคนวิตกกคนกังวลเผลอๆก็เป็นประสาทเข้ามากินได้ไง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราตั้งความสงสัยเอาไว้เมื่อได้ยินสิ่งนี้มาแปลกๆมีเงื่อนงำหรือเปล่ามีการซ่อนเร้นหรือเปล่า เป็นความจริงหรือเปล่าคือเราให้ตั้งความสงสัยในเมื่อตั้งความสงสัยแล้วเราจะได้ขี้คลายเราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนใข้ควรไตรตรองเหตุและผลนั้นๆเราก็จะรู้ได้ด้วยปัญญาของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ผู้ที่เหนือกว่าอย่างที่ว่านะก็หลอกลวงหรือต้มตุนเราเราได้ง่าย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 พวกเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงท่านจะได้ออกทรงผนวดอย่างที่พวกผมได้กล่าวมาหลายครั้งต่อหลายหนในที่ต่างๆการทรงบําเพ็ญของพระองค์จนเป็นที่แน่ชัดในพระไทยของพระองค์แล้วว่าเป็นผู้ชำละกิเลสราคะโทสะโมหะโดยเด็ดขาด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 บรรยายอย่างนั้นเมียวชลาธรรมมิชลังอนัตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ให้ใคายมาเห็นให้เห็นตามความเป็นจริงจนถึงว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงให้ถ้าบอกให้รู้ว่าเราเกิดมาเนี้ยเราจะต้องพัดภาคจากเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะนั้นที่เราสวด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 ทางดีและทางชั่วคิดดีและคิดชั่วพูดดีและพูดชั่วให้รู้จักทั้งการกระทำควรเลือกเฟน้นในสิ่งที่ดนะีอันนี้ก็คือทานะคือเหมือนกันให้ทําเป็นทานแล้วก็ให้สิ่งของเป็นทานให้ให้ใหข้าวน้ําโพอชนาอาหารที่เห็นเขาได้ลําบากตกทุกข์ได้ยากเราพอจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรถ้าเรามีเงินคําทรัพย์สมบัติเราก็พอที่จะให้เขาได้เจือจานเขาได้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 เลือกให้ช่วยชงเคาะอนุเคราะห์เขาให้ชีวิตของเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเขาอย่างนี้เป็นต้นพอในสุดเขากับเราเราก็มีผู้เลี้ยงดูเราอีกเป็นหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเรามีแต่สงเคราะห์เขาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเราเป็นพระอย่างนี้เราก็แนะนําสั่งสอนเขาเขาก็ทําบุญทําทานช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้แก่เราเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างพวกเราไปบินทาบาท เขาคิดอะไรจากเราไหมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมิแต่ใส่บาตให้พวกเราพวกเราก็ออกมาฉันพอมาฉันเสร็จแล้วเราที่จะช่วยสงเคราะห์อะไรให้แก่เพื่อนมนุษยชาติได้เราก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาเนี่แหละคือมนุษย์จะเป็นอยู่ได้ด้วยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าว่าต่างคนต่างอยู่เข้ามาพูดกันก็ไม่ได้แหมกาตาขมิงเกี่ยวอยู่ต่อกันเราคิดดูก็แล้วกัน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 สินห้านี้ถ้ามองดูให้ไกลแล้วให้รู้จักใจเขาให้รู้จักของเขาของเราเราต้องการความสุขไม่ต้องการคนอื่นมาฆ่ามาเบียดเบียนเราเราก็อยาไปฆ่าเขาถ้าไม่ยังไม่อยากจะให้เขามาขาโมยของเราเราก็อย่าไปมวยขโมยของเขาให้เคารพสิทธิ์กันให้เคารพสิทธิ์กันทาบมีพัญญาลูกเต่าพ่อแม่ลูกหลานของเราเรารัก เราก็จะไปล่วงละเมิดเขาให้เคารพให้เคารพสิทธิ์ของเขาเราจะไปโกหกเขาเมื่อเราไม่ชอบในการที่จะให้เขาหมกมาโกหกเราสุราก็เหมือนกันสุราก็ถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันต้องเมาไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าเราไปดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทำไรทุกอย่างพูดอย่างนั้นได้เพราะขาดสติ เพราะนั้นการขาดสติดีไหมถ้าเห็นคนขาดสติดีไหมเราก็กลัวเขาต่างหากเมื่อเขาขาดสติแล้วไม่รู้จะมาไม้ไหนเพราะงั้นคนขาดสติมากๆถ้าเขาเป็นคนมีเจ้าอรมโมโหโทโสแล้วก็เราไม่อยากจะไปใกล้ที่โดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาเราก็เช่นเดียวกันเขาก็กลัวเราเหมือนกันถ้าเราขาดสติเพราะฉะนั้นการดื่มธุราและเมลัย ขาดสติเป็นผลผลทางเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดีพูดธใดอย่างนั้น <Okay. S 1> เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเรามองไกลๆอย่าไปมองใก ล, ถใก ล, ถใกล้ถ้ามองใกล้แล้วกจะมองไม่เห็นมันจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้ามองไกลถ้ามองไกลแล้วจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมของพระพุทธเจ้า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 ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นพ่อแม่ของเขาของลูกเราควรทําตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นคนการทํามาหาเีกยนชีพเราควรทําตัวอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาตามแนวแถวของที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญความเย็นใจ จะเข้ามาสู่พวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเดินแวะออกไปนอกทางแล้วความหายชนะก็จะเข้ามาสู่ใจการกระทําของเราเราก็จะต้องทุกข์เดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะอย่างครวญวัพระพุทธเจ้าสอนวิธีการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านว่าอุตสานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอาราคาสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติ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 ในเมื่อเรียนแบบเขาเถ ะ, ะความหายนะก็จะเข้ามาสู่ต น, นได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งที่ควรเลือกตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระภิกษุที่เป็นฝักฝ่ายเทวทัตนะนี่ยคือเทวทัตเนี่ยเป็นครบกับพระเจ้าอาสซาสตรูกุงราชคือพระเจ้าอิสซาสตรู ก็เห็นว่าเป็นพระเทวทัตเป็นอาจารย์ของท่านท่านก็ช่วยเหลือเจื อ, อาจานทุกสิ่งทุกอย่างปัจใจสี่ต้องการอะไรเพราะเข้าไปเป็นอาจารย์ของพระเจ้าเพนดินคือพระเทวทัตสมัยพระซาตส า, าตรูเป็นเจ้าฟ้าชายก็ยุโยงให้ฆ่าพระเจ้าพิมพีสารพระบิดาพระเจ้าส า, าตสตร์ได้สาเร็จโทษพระบิดา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 ในปัจจัยที่ไม่ถูกต้องอย่าไปคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ประพฤติที่ไม่ถูกต้องถ้าคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั่นแด่ท่าทำให้เสียหายได้ง่ายเพราะนั้นท่านอย่าไปคบคนที่ไม่ดีอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมท่านเป็นธรรมสอนในในเทืองเป็นธรรมเพราะท่านมองเห็นอดีตนนอนาคตแล้ว ท่านสอนด้วยความเมตตาไม่มีอย่างอื่นไม่มีการอิจฉาพยาบาททั้งหมดจากนั้นท่านก็ยกเป็นชาดกขึ้นมาท่นี้คือว่าให้สอนให้ให้เข้าใจง่า ย, ยานั้นก็ว่าพระองค์เนี้ยแต่ก่อนเนี้เคยถูกลูกธนูมาแล้วพระสงฆ์ทางหลายกระราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมจึงว่าเคยถูกลูกธนูมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่ง เราเป็นราชสีห์อยู่ในถำ้ำแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีลูกชายมีลูกหญิงจากนั้นก็มีลูกชายก็ไปมีนางราชสีห์อีกว่า ง, งั้นราชสีห์ตัวเมียมาอยู่ในถ้ำเดียวกันจากนั้นราชสีห์ตัวนี้ที่เป็นลูกชายเนี่เป็นผู้สติปัญญาคล่องแค่วว่องไวไปหากิน แล้วก็คาบสัตว์ต่างๆมาให้พ่อแม่ที่อยู่ในถ้ำกินอยู่เสมอเสมอแต่วันหนึ่งราชสีตัวนี้ไปเจอกับหมาอจิงจอกพอไปเจอหมาจิงจอกหมาจิงจอกตัวนั้นก็บอกว่ า, เ, าเพราะว่าหมาจิงจอกมันหนีไม่พ้นมันกลัวราชสีตัวนั้นมันก็บอกว่าโอ้ผมขอมาผมขอสวัสิ์พิพักผมขอยอมเป็นลูกน้องจะให้ผมทำอะไร ผมก็ยินดีราชสีห์อ้าวเาเป็นลูกน้องก็ดีจากนั้นก็บหมาจิ้งจอก น, นั้นก็พยายามตามมามาถึงถ้าผู้พ่อเห็นเห็นหมาจิ้งจอกก็เตือนลูกชายตัวเองว่าอย่าไปคบกับหมาจิ้งจอกนะหมาจิ้งจอกนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ซื่อสัตว์สามารถที่จะหลอกลวง แนะนําไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายเพราะนั้นลูกจะไปคบกับมันนะจะไปคบกับผลต่ําจะไปคบกับแม่หมาจิงจอกดูแล้วไม่เป็นผลดีนะความหายนะจะมาถึงลูกมากกว่าที่จะเป็นผลดีนะอันนี้ราชสีห์ที่เป็นลูกชายนะไม่เชื่อไม่เชื่อยพอบอกว่าเอ้ยหมาจิงจอกมีอะไรไป มันมีจะเป็นลูกน้องเราเท่านั้นเองมันเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวน้อยหน่อยเดียวมันจะมาทําอะไรเราได้มันมีแต่เราสั่งให้มันไปทําอะไรมันก็ไปดูไปสอดไปแยมให้ได้มันไม่เห็นมีอะไรลักจ้ะอย่างนั้นน่ะผลในสุดที่นี่หมาจริงจอ脚มันก็บอกว่าหมูป่าก็เคยได้กินแล้วเกล้งก็เคยได้กินกวางก็เคยได้กินเคยได้กินสัตว์มากมาย แต่ยังไม่ได้กินไม่เคยกินมา้ามนม้าเนี่ยยังไม่เคยกินอยากจะกินมา้มารถม้ามันเป็นยังไง่าชศสีก็ถามว่าม้ามันอยู่ที่ไหนนู่นอยู่ใกล้ๆกําำแพงหรือว่าใกล้แม่น้ํอาจยแล้วว่าดีใกล้กรุงพหานาสีน่อมันจะอยู่แถบนั้นเพราะเป็นของมนุษย์ททนี้ก็เอาเราจะไปเอาได้ยังไง วิธีการไปไปผมพาไปหมาจริงจอมันเคยไปทุกแห่งทุกหนอยู่แล้วมันเคยพาราชสีไปไปกขาไปเห็นมากระโดดคาบมมาได้ได้มามาแบ่งให้หมาแล้วก็มาคาบมาให้พ่อแม่พ่อเห็นโอ้ทาไมไปเอาคาบมมามาลูกไม่ได้หนะมามเป็นของพระราชาพนระราชาเป็นผู้มีสติปัญญาเสียแปลมากนะ ถ้าเจ้าไปทําอย่างนี้เจ้าอตัวไม่รอดนะจะต้องถูกฆ่าแน่นอนเจ้าหยุดนะจะทําทนะอย่าไปใกล้มนุษย์นะมนุษย์นี่มีหัวเหนือกว่านะเจ้าเห็นว่าเจ้าเก่งเแต่มันสู้มนุษย์ไม่ได้นะแต่ ล, ลูกชายเนี่ยไม่เชื่อฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะหลบหลีกความเร็วของเราเนี่ยเหนือกว่าอแลว้วก็ชั้นเชิงที่เราจะหลบหลีกมานั้น ไม่มนุษย์จะเป็นใครก็เถอะไม่สามารถที่จะจับเราได้เบียดเบียนเราได้ให้วความคึกความขนองความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเหนือกว่าบางั้นเถอะไม่คาดคิดว่าคนคนอื่นจะจัดการกับเราได้จากนั้นก็พยายามไปคาบเอาม้ามากินเรื่อยๆท่นี่กินสัตว์นั้นกินจันี้กับคาบหมามากินผัวในสุกระเดือดร้อนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็น ไปชมนายคำ ม, มังธนูที่คำ ม, มังเลยว่างั้นเถอะว่าคำ ม, มังธนูว่างั้นเถอะเป็นผู้แม่นธนูที่สุดในกรุงเขาในกรุงพาาะงระนมมรศีนั่นว่าจะยิงราชศรีได้ไหมนายคำมังธนูว่าได้เขาก็เตรียมนั่งแท่นเหนือกำแพงเอาไว้เพราะมันกระโดดข้ามกำแพงมาราชศรีมันแรงมากเลยมาเร็วอีกต่างหาก เขาก็เตรียมนายคำมังะนูมันเข้าทางไหนก็เตรียมเตรียมการเอาไว้หมดเพราะราชสีห์ก็ไม่ได้คิดบงว่าตัวเองก็เคยกินยังไงเคยเข้าอย่างไงทําอย่างนั้นคิดว่ากระโดดข้ามกําแพงไม่สามารถที่จะยิงเราทันเหล่านั้นแต่คนหนึ่งมันจ้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วพอในสว่วนกระโดดข้ามกําแพงไปข่าบเอามาเวลาขณะที่ไปนายคำมังะนูก็ไม่ยิงเพราะมันเปรียวมันไว ไม่สามารถที่จะยิงแต่พอจะยิงเขาทันอยู่แต่ไม่ยิงในขณะที่มันคาบม้าแล้วมันหนักได้แต่นี่มันคาบม้าทั้งตัวขึ้นมามันก็ต้องช้ากว่าที่มันไปเร็วว่างั้นแต่พอคาบมาเสร็จมันกระโดดข้ามกอแพงมาเ ข, เ, ขเขาเอาจังหวะนั้นพอดีแอนั้นูวเขาก็อาบยาพิษใส่ปล่อยลงไปเลยแอนเต็มเต็มเปล่าเลยแบบนั้นแต่อาบยาพิษด้วยร้องโอ้อะไรด่าสีส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 ความเสียหายเข้ามาสู่ตนถ้าว่าคบคนชั่วเราก็ต้องชั่วไปตามถ้าคบคนดื่มสุราคนกินเหล้าอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักเลงเหล้ากับเขาถ้านักเลงการพนันอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักเลงการพนันกับเขาถ้าพวกเล่นบอลทุกวันเนี่เราก็จะเป็นคบกับเขาเห็นเขาได้ง่ายเราก็จะทดลองเล่นบอลกับเขาพนที่สุด เราก็เป็นนักเลงบอนผลที่สุดกับความเจ้งความหายนะก็จะเข้ามาสู่เราการพนันขันต่อเรื่องของความชั่วหลายๆอย่างเพราะอาศัยการครบค้าสมาคมนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันแล้วก็คบคนชั่วป่นสะลมคดโกงต้มตุนมีมากคนชั่วหลายหอย่างถ้าว่าคบคนใด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 แพทย์เราไม่มีหมูเพื่อนมากหน้าที่การงานของเรารัดตัวก็เถอะแต่ถ้าว่าพวกเราปล่อยปาดละเลยในสิ่งเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเสียหายชั่วช้าอย่างที่ราชสีเป็นคบกระหมาจิงจอกอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเปรียบเทียบไว้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ดีเราจะเป็น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 มาฉันฉันแล้วกลับกุติกลับกุติแล้วตอนบ่ายมาดื่มน้ําดื่มน้ําปานะจากนั้ น, นไปปัดกวาดปัดกวาดเสร็จแล้วกลับกุติไปชุมฮะแล้วก็กลกับไปกุติไหวพระสดมนเสร็จแล้วกลับไปกุตินั่งภาวนานี่หน่อยแล้วก็ น, นอนพรุ่งนี้เช้าก็เดินมาทางอีกเดินมาบินทบาตอีกไม่เห็นได้อะไร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 ไปสู้กับพยามานพยามานก็คืออะไรอะพยามานก็คือความโลภความโกรธความหลงนราคะโทสะโมหะไปสู้กับนางตันหานางราคานางอรดีพร้อมกับพยามานเสนามานเอาชนะได้ในโคนต้นโพชนะใจของพระ อ, องค์นั่นแหละเพราะใจใจของเราไป